เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนทนลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนาฐทกรคนชอบเล่าวันนี้ผมไปเจอบทความดีๆหนึ่งบทครับได้ข้อมูลมาจากหนังสือ Time m a แ a กซี e คิดว่ามีประโยชน์นะครับพอหลังจากที่ได้ลองอ่านดูแล้ว พบว่ามีสาระสำหรับผู้ที่ได้ฟังอาจจะนำไปคิดเพื่อประกอบกับการใช้ชีวิตต่อได้ผมเลยขออนุญาตนามาถ่ายทอดเล่าให้ฟังต่อนะครับรายงานว่าที่สหรัฐอเมริกามีงานวิจัยพบว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคือพระในพระพุทธศาสนาโดยทดสอบด้วยการสแกนสมองพระขณะที่ทาสมาธิและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นความจริง ตามหลักของพระพุทธศาสนาคือเหตุที่ทำให้เกิดสุขนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันขณะปล่อยวางได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและควบคุมความอยากที่ไม่มีสิ้นสุดไม่ใช้ความรุนแรงไม่ทะเลาะและใช้หลักเวรยอบระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรให้อภัยตัวเองและผู้อื่นมีจิตใ จ, จเมตตากรุณาและศีรษะเพื่อผู้อื่นบ้างอริยสตสี อริยาาสัจสคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและบอกไว้ด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคแท้จริงแล้วก็คือทางเดินไปหาคําว่าความสุขเพราะถ้าเมื่อไรเราเกิดกำจัดความทุกข์ได้แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นเองอุปสรรคของความสุขก็คือแรงปัทนาและตัณหาของคนเราที่มีความสุขไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับว่าพอใจเมื่อไหร่ ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งของที่เรามีหรือเราได้ดังนั้นวิธีจะหาความสุขอันดับแรกต้องหยุดให้เป็นและพอใจให้ได้ถ้าเราไม่หยุดความอยากของเราแล้วเราก็ต้องวิ่งไล่ตามหลายสิ่งที่เราอยากได้คิดแล้วมันเหนื่อยและสุดท้ายความทุกข์ก็จะตามมาเมื่อเราไม่ได้ข้อต่อมาที่ว่าทำให้เราเป็นสุขคือการมองทุกอย่างในแง่บวกชีวิตในแต่ละวัน แน่นอนเราต้องเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องเริ่มด้วยการมองแต่สิ่งดีๆมองให้เป็นบวกเพื่อให้ใจเราได้เป็นบวกและคิดถึงแต่สิ่งที่เรากระทำสำเร็จแล้วในวันนี้และสิ่งดีๆที่เราได้กระทำไว้ข้อต่อมาคือการให้หมายรวมถึงการให้ในรูปแบบสิ่งของหรือเงินหรือเรียกว่าบริจาคและการให้ความเมตตากรุณาต่อกันและกันรวมถึงการให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทําให้เรามีแต่ความสุขการปล่อยวางให้ได้ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเรื่องร้ายแรงเศร้าโศกเพียงใดจําไม่ว่ามันจะดนเวลาพัดพาไปจากเราไม่ช้าก็เร็วมันก็จะผ่านเราเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้และยอมรับในความเป็นจริงของชีวิตอันที่จริงไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องร้าย มันก็จะผ่านพ้นเราไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราชอบเพียงใดไม่ว่าจะผิดหวังสูญเสียเจ็บป่วยล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคนที่เกิดมาต้องได้รับบททดสอบนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะเป็นใครจงทำตนเองให้สดใสด้วยการยิ้มให้ตนเองทำคนอื่นให้สดใสได้ด้วยการยิ้มให้เขาการยิ้มไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่สามารถสร้างความสดใสได้เป็นอันมาก ทํำให้เรามีสุขอยู่เสมอเพราะความสุขมันอยู่ใกล้แค่นี้อยู่แค่ที่ใจของเรานี่เองยิ้มแย้มอย่างแจ่มใสเห็นใครทักก็ยิ้มให้เขาก่อนนี่คือวิธีแสดงเสน่ห์แบบง่ายๆแต่ให้ผลมากการให้อภัยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเช่นกันแต่การแก้แค้นนี่ต้องลงทุนมากเพราะว่าเวลาเขาด่าเราเพียงไม่ถึงนาทีสักพักเขาอาจจะลืมไปแล้วด้วยว่าเขาด่าเราแต่ตัวเราเนี่แหละ ยังคงจดจํายังเจ็บใจอยู่และลองคิดดูสิว่าตัวเราเนี่ยฉลาดหรือโง่กันแน่การบ่นแล้วหมดปัญหาก็น่าบน่นบ่นแล้วมีปัญหาไม่รู้จะบ่นหาอะไรแล้วก็ยังเข้าใจผิดผู้อื่นถ้าคนอื่นเข้าใจเราผิดบ้างก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรทำไมเราต้องเศอ้าหมองในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างที่ใครเขาเข้าใจอย่ากโกรธฟุ่มเฟืยอยอย่ากโกรธจุกจิกอย่ากโกรธไม่เป็นเวลา อย่ากโกรธมากจะเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตแม้ว่าจะฝึกให้เป็นผู้ไม่มีความโกรธไม่ได้แต่การฝึกให้เป็นผู้ที่ไม่โกรธบ่อยสามารถกระทำได้โดยฝึกให้เป็นผู้รู้จักอภัยให้ได้ค่อยๆฝึกใจเย็นๆรู้ทันอารมณ์ของตัวเองการนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขาการให้อภัยเป็นเรื่องของเราการชอบพูดถึงความดีของเขาก็คือความดีของเขา การชอบพูดถึงความไม่ดีของเขาก็คือความไม่ดีของเราการมวนแต่โทษผู้อื่นไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรได้แต่การโทษตนเองนั้นสามารถช่วยให้แก้ไขได้ให้รู้จุดผิดให้เลิกแก้ตัวให้กับตนเองแต่ให้เริ่มแก้ไขให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้นการนอนหลับเป็นการพักกายการทำสมาธิเป็นการพักใจคนส่วนใหญ่พักแต่กายไม่ค่อยพักใจ อันที่จริงควรจะนั่งสมาธิสักวันนะ5นาทีหรือ10นาทีก็ยังดีหากเพียงแต่เริ่มต้นเพียงวันละสนาทีก่อนและค่อยๆเพิ่มรีเวลขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีประโยชน์กับตนเองมากแล้วก็ต้องรู้จักทําใจให้รักผู้บงังคับบัญชารู้จักทําใจให้รักลูกน้องรู้จักทําใจให้รักเพื่อนร่วมงานสวรรค์ก็จะเกิดขึ้นในที่ทํางานแล้วแต่หากเกลียดผู้บงังคับบัญชาเกลียดลุกน้องเกลียดเพื่อนร่วมงาน นรกนั้นก็ย่อมเกิดในที่ทำงานโดยเช่นกันการที่คนเรายังต้องแสวงหาความสุขนั้นแสดงว่าเรายังขาดความสุขแต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้เป็นสุขได้เองก็ไม่ต้องไปดิ้นโนนแสวงหาที่ไหนหรอกความอ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนหวานนั้นดีอ่อนค่อยเขาบ้างก็ดีแต่อ่อนแอ น, นั้นไม่ดีในการควบคนศิลปะใดๆก็สู้ความจริงไม่ได้จงประหยัดคำติเตียน และยาตรณีคําติชมการให้อภัยแก่กันในวันนี้ดีกว่ า, าหโหสิกรรมให้กันตอนที่ตายจากกันถ้าคิดดีทำดีให้ทําได้ทันทีถ้าคิดว่าทำชั่วให้เลิกคิดทันทีถ้าเลิกคิดไม่ได้ก็อย่าทําวันนี้ผลัดบันประกันพุ่งมันไปเรื่อยๆก่อนถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่องก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์โลกสว่างด้วยแสงไฟใจสว่างด้วยแสงธรรมแสงธรรมส่งใจแสงไฟส่องทาง ผู้สนใจธรรมะสู้ผู้รู้ธรรมะไม่ได้ผู้รู้ธรรมสู้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมสู้ผู้ที่เข้าถึงพระธรรมไม่ได้มีรัพ์มากย่อมมีความสะดวกมากมีธรรมะมากย่อมมีความสุขมากเมื่อก่อนยังไม่มีเราเราเพิ่งจะมีตัวตนมาเมื่อไม่นานนี้เองรีบไม่นานก็จะไม่มีพวกเราอีกเราจึงควรรีบทาดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ นี่ก็คือบทความดีๆที่ผมได้ข้อมูลมาจากหนังสือท่าแมกซีนนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่เคารพ บ, บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ